รตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสี่วักที่สองชื่ออนุปัฏฐาวัคแปลว่าวัคมีอนุปัฏฐสูตรเป็นหัวหน้ามีสิบสูตรพระสูตรที่สิบเอ็ดอนุปัฏฐสูตรสูตรว่าด้วยลำดับบทธรรมะพระผู้มีพระภาคประทับนเชเศวนารามตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรว่ามีปัญญาและเห็นแจ้งบทธรรมตามลำดับภายในครึ่งเดือน คือรูปประชานสีอ ร, รูปประชานสีสัญญาเวทะยิตานิโรธมีความชำนาญและบรรลุถึงฝั่งแห่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะหมุนธรรมาจากักตามที่พระตถาคตหมุนไปแล้วได้พระไตรปิฎกเล่มที่ส4พระสูตรที่ส2องจวิโสธนสูตร สูตรว่าด้วยข้อสอบสวนหกอย่างพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามตรัสสอนวิธีสอบสวนภิกษุผู้พยากรณ์อารหาัตผลคือผู้พูดว่าตนเป็นพระอารหันต์โดยวิธีตั้งปัญหาให้ตอบรวมหกข้อคือหนึ่งรู้เห็นอย่างไรในโวหารสี่คือการพูดว่าได้เห็นได้ฟังได้ทราบ ได้รู้แจ้งในสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้ง 2. รู้เห็นอย่างไรในขันห้าที่ยึดถือสรู้เห็นอย่างไรในธาตุหกสรู้เห็นอย่างไรในอายตนะภายในภายนอกหกคู่คือตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงเป็นต้น 5. รู้เห็นอย่างไรในกายที่มีวิญญาณครองของตน 6. รู้เห็นอย่างไรในนิมิตทั้งปวงภายนอกจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะถอนอาหางการคือความถือเรามามังการความถือว่าของเราและมานะความถือตัวซึ่งเป็นอนุสัยหรือกิเลสที่แฝงตัวเสียได้ พร้อมทั้งแสดงคำตอบในทางรู้เท่าและตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาจนได้อสวะขยะยานคือยานอันทมอสวะให้สิ้นเป็นที่สุด